ในสองสูตรนั้นเนี่ยนะเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการรักษาตนเองและการกำจัดอาสวะทั้งหลายที่มีการทำไม่ดีและการทำไม่ดีเป็นปัจจัยด้วยมงคลสูตรเนะี่ยการรักษาตัวเองด้วยนะแล้วก็การกำจัดอาสวะด้วยส่วนในสูตรนี้ให้สำเร็จการรักษาผู้อื่นและการกำจัดอาสวะทั้งหลายที่มีอมนุษย์เป็นปัจจัย ฉะนั้นในสูตรนี้จึงเป็นอันตั้งไว้ในลำดับต่อจากมงคลสูตรนั้นทีนี้ตั้งคําถามว่าพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยนะเป็นผู้ตรัสเนี่ยนะพระองค์ตรัฐที่กรุงเวสาลีซึ่งกรุงเวสาลีนั้นถูกอุปัตตะวะทั้งหลายมีทุพพิขภัยเป็นต้นเนี่ยนะขัดขวางพระผู้มีพระภาคก็เลยถูกเจ้าลิชาวีทูลขอร้องนําเสด็จ นะไปจากกรุงราชครึกว่าในกรุงเวสาลีเนี่ยนะสมัยที่พระผู้มีพระภาคอุบัติขึ้นเขามีกษัตริย์อยู่ถึง7707พร้เจพระองค์พยุพ ร, ราชเสนาบดีและธรรมพันดาคาริกเป็นต้นก็เหมือนกันอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าสมัยนั้นแหละกรุงเวสาลีเนี่ยนะมั่นคงเจริญมีคนมากมีคน เกลื่อนกลนมีอาหารหาได้ง่ายมีปราสาท7707เจหลังมีเรือนยอด7707หลังมีอาราม7707อารามมีสระบคาราี7 7 0็รสะสมัยต่อมากรุงเวสาลีนั้นเกิดทุพิภิภัยฝนแรงข้าวกล้าตายนึ่งคนยากจ น, น, นคนยากคนจนก็ตายก่อนเขาก็ทิ้งคนเหล่านั้นไปในนอกพระนคร คือมันเผาไม่ไหวนะก็ตายแล้วเอาไปทิ้งตายแล้วเอาไปทิ้งพวกอนมนุษย์ก็ได้กลิ่นคนตายก็พากันเข้าพระนครแต่นั้นผู้คนก็ตายเพิ่มมากขึ้นเพราะความปฏิกูลนั้นอหฮิวาตกรโรคก็เกิดแต่สัตว์ทั้งหลายชาวกรุงเวสาลีถูกภัยสามอย่างคือทุพิขภยัยเนี่ยนะภัยที่เกิดจากเข้ายากหมากแพงเนี่ยนะอนมนุษย์สภยัยภัยที่เกิดจากพวกอนมนุษย์ทั้งหลาย และโรคภัยเบียดเบียนก็เข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าขอเดชะเกิดภัยสามอย่างในพระนครนี้แล้วพระเจ้าข่าแต่ก่อนนี้นับได้เจ็ดชั่วราชาสกุลไม่เคยเกิดภัยเช่นนี้เลยชฉลยพระองค์ไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมบัดนี้ภายนั้นจึงเกิดขึ้นพระราชาก็ทรงประชมุมเจ้าลิชวีทุกพระองค์ในที่ว่าราชการรมตรัสว่า ขอได้โปรดพิจารณาทบทวนข้อที่เราไม่ตั้งอยู่ในธรรมะเถิดเจ้าลิทวีเหล่านั้นพิจารณาทบทวนถึงประเพณีทุกอย่างก็ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องไรๆแต่นั้นก็ไม่เห็นโทษของพระองค์นะขององค์พระราชาก็พากาันคิดว่าภัยนี้ของเราจะระ ง, งับไปได้อย่างไรในที่ประชุมนั้นเจ้าลิทวีบางพวกอ้างถึงาศาสดาทั้งหว่าพอาศาสดาเหล่านั้น ย่างเท้าลงเท่านั้นภัยก็จะระงับไปบางพวกก็ตรัสว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงแสดงธรรมะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ปวงสัตว์ทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพอพระองค์ย่างพระบาทลงเท่านั้นภัยทุกอย่างก็จะระงับไปด้วยเหตุนั้นเจ้าลิชวีเหล่านั้นจึงดีพระไทยตรัสว่า ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ประทับอยู่ที่ไหนเล่าพวกเราส่งคนไปเชิญเนี่ยนะจะไม่มาน่ะสิวงงางเงินเจา้าฤทธิ์วีพวกหนึ่งก็ตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเอนดูสักด์เฮไรพระองค์จะไม่เสด็จมาเล่าเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีกรุณาอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเรานี่มนตท่านก็มาวงงางเงินก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ประทับอยู่ที่กรุงราชเครือ พระเจ้าพิมพิสารทรงอุปถากอยู่เกรงข้าเธอจะไม่ให้เสด็จมาเนี่ยนะกลัวอุปถากจะห้ามอ่างนั้นนะทีนี้ก็เลยตรัสกันต่อไปว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราจะทูลพระเจ้าพิมพิสารให้ทรงเข้าพระทัยแล้วนําพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วก็ทรงมอบเครื่องบรรณาการเป็นอันมากทรงกับเจ้าลิชวีสององค์ไปเนะพร้อมด้วยกองกําลังขนาดใหญ่ไปยังราชสํานักของพระเจ้าพิมพิสารโดยสั่งว่า ขอท่านทูลพระเจ้าพิมพิสารให้เข้าพระทัยแล้วนำพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาเจ้าิทธวีสองพระองค์เสด็จไปถวายเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าพิมพิสารแล้วแจ้งให้ทรงทราบเรื่องราวและทูลว่าข้าแต่พระราชเจ้าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดส่งพระผู้มีพระภาคเสด็จมายังพระนครของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระราชาไม่ทรงรับรองตรัสว่า พวกท่านจงรู้เอาเองเถิดเจ้าลิวีก็ทูลว่าดีละพระเจ้าค่าแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมและกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภัยสามอย่างเกิดขึ้นในนครของข้าพระองค์ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพิ่งเสด็จมาไซความสวัสดีก็จะเพิ่งมีแก่พวกข้าพระองค์พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาว่า เมื่อตรัรัตนะสูตรในกรุงเวสาลีการอารักขาจาักแผ่ไปแสนโกจกราวาลจบสูตรเนี่ยนะสัตว์8ป0 0 0สี่พันจักตรัสรู้ ร, รมแล้วก็ทรงรับนิมนต์ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วโปรดให้โฆษณาไปในพระนครว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์เสด็จไปกรุงเวสาลีแล้วสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงรับสเสด็จทรงรับจะเสด็จไปกรุงเวสาลีหรือพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถาวายพระพรมหาบพิษเท้าเธอก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นโปรดทรงรอก จนกว่าจะจัดแจงหนทางถวายนะพระเจ้าค่าเนี่ยนะขอขอจัดแจงหนทางก่อนบางนันครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงทำพื้นที่ห้าโยศระหว่างกรุงราชครึกและแม่น้ำคงคาให้เรียบร้อยแล้วให้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาที่จะเสด็จไปพระผู้มีพระภาคเจ้าอันภิกษุห้าร้อยรูปแวดล้อมแล้วเสด็จไปพระราชาทรงเอาดอกไม้ห้าสี โปรยหนทางห้าโยตเพียงหัวเขา่าให้ยกธงผ้าหม้อน้ําและต้นกล้วยเป็นต้นให้กั้นสเสวตฉัดสองชั้นสําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าฉัดชั้นเดียวสําหรับพระภิกษุแต่ละรูปทรงทําการบูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้นพร้อมด้วยราชบริพารของพระองค์ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารนะหลังหนึ่งหลังหนึ่งถวายมหาทาน ทรงนำเสดสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาเนี่ยนะห้าวันห้าโยชนี่นะก็โยละสิบหกกิโลเมตรเนี่ยนะประมาณ80ดสิบกิโลเมตรเนี่ยนะก็ทุกๆทุกๆหนึ่งโยชนี่ก็สร้างที่พักให้แล้วก็ถวายทานทุกวันทุกวันไปอย่างใี้ห้าวันหน้าที่นั้นทรงประดับเรือด้วยเครื่องประดับทุกอย่างแล้วส่งสงสารไปถวายเจ้าฤาวีกรุงเวสาลีว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วขอเจ้าฤาวีทุกพระองค์ตกแต่งหนทางถวายการรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเจ้าฤาวีเหล่านั้นก็ตกลงกันว่าจะทําการบูชาเป็นสองเท่าทําพื้นที่สามย่ระหว่างกรุงเวสาลีและแม่น้ํำคงคาให้เรียบร้อยจัดสเสวตฉัตรสีชั้นสําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าสําหรับพระภิกษุแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยรูปละสองชั้นทําการบูชา เสด็จมาคออยู่ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงทําเรือขนานสองลำแล้วก็สร้างมนตดบประดับด้วยพวงดอกไม้ปูลาดพุทธอาสนะทําด้วยรัตนล้วนณนะมนตดบนั้นทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเหนือพุทธอาสนะนั้นแม้พิสุห้ารอยรูปก็ลงเรือนั่งกันตามสมควรพระราชาทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าลงน้ําประมาณแค่พระซอ ลงน้ำจนขนาดคอเลยนะแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จัอยู่การริมฝั่งแม่น้ำคงคานี่นี่แหละจนกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จกลับมาแล้วก็เสด็จกลับนี่นะก็จะไม่ไปไหนแล้วงั้นรอจนกว่าพระองค์จะกลับนั่นแหละทีนี้เทวดาเบื้องบนจนถึงอัคนิทภพได้พาการทำการบูชานาคราชทั้งหลายนี่ยนะ มีกำพลนากและอสตรานากเป็นต้นซึ่งอยู่อาศัยใต้แม่น้ำคงคาก็พากันทำการบูชาด้วยการบูชาใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปทางแม่น้ำคงคาสิ้นระยะทางไกลประมาณโยศหนึ่งก็เข้าเขตแดนของพวกเจ้าลิชวีกรุงเวสาลี ต่อจากนั้นพวกเจ้าฤทธิ์วีก็ทำการบูชาเป็นสองเท่าที่พระเจ้าพิมพิสารทำการบูชาออกไปรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงในน้าประมาณแค่พระสอขนาดนั้นเองครู่นั้นเองมหาเมฆมียอดคลุมด้วยความมืดมีแสงฟ้าแลบเคลื่อนตัวไปส่งเสียงคำรามนะครื่นงลั่นก็ตั้งขึ้นทั้งสี่ทิศ ลำดับนั้นพอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกพระบาทแรกวางลงริมฝั่งแม่น้ําคงคาฝนโบกครพัตก็โปรยเม็ดลงมาชนเหล่าใดต้องการจะเปียกชนเหล่านั้นเท่านั้นย่อมเปียกผู้ไม่ต้องการเปียกก็ไม่เปียกในที่ทุกแห่งน้ําย่อมไหลเพียงแค่เขา่าแค่ขาแค่สะเอวแค่คอซากศพทั้งปวง โูกน้ำพัดลงสู่แม่น้ำคงคาพื้นดินก็สะอาดสะอางเนี่ยนะสะอาดหมดเลยนะโอ้โหฝนตกล้างศกหมดพระเจ้าิชวีก็ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในทุกๆโยตเนี่ย น, นะทุกๆหนึ่งโยต์ระหว่างทางก็ถวายมหาทานทรงทาการบูชาเป็นทวีคูณเนี่ยนะสามวันทวีนี่แปลว่าสองนะทวีคูณก็ทำสองเท่าพระเจ้าพิพิสารเหนนจึงเสด็จนากรุงสูเวสาลี เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงเวสาลีท้าวสากะจอมทวยเทพอันมูเทพห้อมล้อมก็เสด็จมาถึงเนะทวดาก็ามาด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนใกล้ประตูพระนครหลวงนะท่งเรียกท่านท่านนท์มาสั่งว่าดูก่อนอานอนท์เธอจงเรียนรัตนสูตรนี้ถือเครื่องประกอบพลีกรรมเที่ยวเดินไปในระหว่างปราการสามชั้น แห่งกรุงเวสาลีกับพวกเจ้าลิชวีราชกุมารทำภาพรปริศแล้วได้ตรัสรัตนะสูตร <c oughs> นนดังนั้นในวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงเวสาลีนั่นเองรัตนะสูตรนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสใกล้ประตูกรุงเวสาลีเพื่อกาจัดอุปัตถวเหล่านั้นท่านท่านนนก็เรียนเอาเมื่อจะกล่าวเนี่ยนะเพื่อเป็นปริศคือเครื่องป้องกันอุปัทวะ จึงเอาบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ำมาเดินประพรมไปทั่วพระนครพอพระเถระกล่าวว่ายังกินจิเท่านั้นพวกอมนุษย์ที่อาศัยกองขยะและที่ฝาเรือนเป็นต้นซึ่งยังไม่หนีไปในตอนแรกก็พากันหนีไปทางประตูทั้งสี่ประตูทั้งหลายก็ไม่มีที่ว่างอามนุษย์บางพวกไม่ได้ที่ว่างที่ประตูทั้งหลายก็ทลายกาแพงเมืองหนีไป พอพวกนมนุษย์พากันไปแล้วที่เนื้อตัวของพวกมนุษย์ทั้งหลายโรคก็สงบไปนะพวกมนุษย์ทั้งหลายก็พากันออกมาบูชาพระเถระด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นทุกอย่างมหาชนเอาของหอมทุกอย่างฉาบทาสันถาคาณที่ประชุมท่ามกลางพระนครทำเพดานขจิตด้วยรัตนะประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงปูพุทธาสนะลงณที่นั้นแล้วนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามา พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าสู่สันทหาคารประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูไว้ทั้งภิกษุสงฆ์คณะเจ้าและมนุษย์ทั้งหลายก็นั่งณอาสนะที่เหมาะควรแม้เท้าสะกะจอมทวยเทพก็ประทับนั่งใกล้กับเทวะบริษัทในเทวโลกทั้งสองทั้งเทวดาอื่นๆด้วยแม้ท่านพระนนเถระก็เที่ยวเดินไปทั่วกรุงเวสาลีทําการอารักขาแล้ว ก็มาพร้อมกับชาวกรุงเวสาลีนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสรัตนสูตรนั่นแหละแก่ทุกคนแล <c oughs> ทีนี้ข้อความในรัตนสูตรมีอยู่ว่าพูดเหล่าใดอยู่ภาค พ, พื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ในอากาศมาประชมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดี ขอหมู่ผู้ทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาษิตโดยเคารพเนี่ยนะก็กล่าวถึงปรารถถึงเทวดาที่มาประชุมณนะที่นั้นทั้งหมดก่อนเนี่ยนะที น, นี้เทวดาทั้งหลายที่มีณนะที่นั้นที่มาประชุมกันก็ให้มีใจดีนะสุมรรณังเนี่ยคือทําให้เป็นคนมีใจดีตั้งอาสัญสมบัติให้ดีแล้วก็จงฟังภาษิตฟังก็ฟังโดยเคารพนะ ดูก่อนพูดทั้งปวงเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังขอจงแผ่เมตตาเนี่ยนะคือเข้าไปตั้งเมตตาจิตในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใดนำพลีกรรมไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษามนุษย์เหล่านั้นเนี่ยนะทีนี้ก็กล่าวถึงว่า ทั้งหมดก็เป็นเรียกว่าเป็นอารัมพบทเป็นหัวข้อเริ่มต้นเนี่ยนะของรัตนสูตรมีอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเขาบอกว่าสุมนาพวันตุเนี่ยนะจงตั้งใจให้ดีเนี่ยนะหรือว่าจงมีใจดีหมายถึงว่าพระองค์นี้ประกอบสัตว์ไว้ในอาสยสมบัติคำว่าสุนันตุพาสิตังจงตั้งใจฟังพาสิตเนี่ยนะ หมายความว่าพระองค์ได้ทรงประกอบสัตว์เอาไว้ในสมบัติคือประโย์ค่าสมบัติคำว่าสักกัดจังสุนันตุภาสิตังเนี่ยนะขอให้ฟังโดยเคารพนี้เพราะพระองค์ประกอบไว้ในสมบัติคือโยนิสโสมนัสิการเนี่ยนะแล้วก็ปรโตโขโศก็เหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งจักรเสียเอาไว้ให้ดีนั่นเองคำว่าพระองค์ตรัสว่าขอให้เทวดาทั้งหลายเนี่ยนะ จงมีเมตตาไปในหมู่มนุษย์เนี่ยนะว่าประชาชนชาวมนุษย์นี้ใดถูกอุปัตวะทั้งสามขัดขวางแล้วขอท่านทั้งหลายจงเข้าไปตั้งเมตตาความเป็นมิตรความมีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อประโยชน์แก่ประชาชนคนมนุษย์นั้นเถิดเนี่ยนะเราไม่กล่าวด้วยกำลังแห่งความเป็นใหญ่ว่าเป็นพุทธแต่ว่าสิ่งไร เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกท่านและแก่ประชาชนคนมนุษย์นี้เราจะกล่าวถึงสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นขอพวกท่านจงทำเมตตาแก่ประชาชนคนมนุษย์เถิด <c oughs> นะพระองค์ก็แนะนําให้เทวดาเนี่ยนะตั้งเมตตาในหมู่มนุษย์นะเพราะว่าเมตตาเนี่ยนะทำประโยชน์เกื้อกูลให้แก่สัตว์ทั้งหลายและมีผลมากมีนิสงมาก ถามว่าทำไมเทวดาทั้งหลายต้องมีเมตตาต่อหมู่มนุษย์เพราะว่าหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเ ข, เขารบกราบไหว้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่เหล่าเทวดามากมายเพราะฉะนั้นพวกท่านจงคุ้มครองรักษาพวกมนุษย์นั้นคือเป็นผู้ไม่ประมาททาความเป็นผู้กตันยูนั้นเอาไว้ในดวงใจระลึกถึงอยู่เป็นนิดจงนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเขาออกไปเนี่ยนะ จงนำเข้าไปตั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกมนุษย์ทีนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงประกอบสัตว์จาวาจาจึงได้ตรัสว่ายังกินจิตวิตตังอิทวาหุรังวาสเคสวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอธิตาคเตนะอิธรมปิพุทธทรัตนังเนี่ยปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวทิโหตุเนี่ยว่าซั์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ หรือในโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ทรัพย์และรัตนนั้นเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลยพุทธรัตนะแม่นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว์เหล่านี้พูดถึงว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจยอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้เนี่ยนะหรือว่าในโลกอื่นรัตนะทั้งหมด ทรัพย์และรัตนะที่เสมอด้วยพระตถ า, าคตนี้ไม่มีเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพุทธรัตนะแม่นี้ก็เป็นรัตนะอันประณีด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว์เหล่านี้อันนี้กล่าวยกย่องพุทธรัตนะพระสากยมุนีมีพระหฤทัยดํารงมั่นได้บรรลุธรรมะอันใดเป็นที่สิ้นกิเลสเป็นที่สํารอกกิเลสเป็นอมตะธรรมอันประณีด ธรรมชาติอะไรๆเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีพระธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีดด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้อันนี้ก็กล่าวยกย่องถึงคุณของพระนิพพานว่าพระนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่สิ้นกิเลส ท, ที่สำ ROC ก, กิเลสเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ประณีดและก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าในบรนดา ทมทั้งหลายทั้งสังคตะธรรมอสังคตะธรรมเนี่ยนะนิพานนิประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นก็กล่าวในธรรมคุณอันนี้แล้วก็กล่าวสัจจะวาจาเพื่อความสวัสดีแกเราสัตว์